เพราะว่าระกายมันร้อนมันไม่เหมือนข้างนอกเย็ยนแต่ไปในมันร้อนมันคือเย็ยนกับร้อนปะทะกันมันก็ไม่เหมือนในบ้านเขาป็ยังจะถูกกระปกานเย็ยนๆพูดถึงาการเย็ยนวันกับวันเป้ น, นดอยละอาปาลูา น, นเขาจะสักพัก ทุ่งกึ่งเขาก็เชื่อสวดกันละฝั่งโน้นได้เสียงว่าจะตีกันฝั่งเรานี่แสดงฝั่งโน้นนั้นสุดงานฝั่งโน้นเป็นงานขาวดำส่วนซาลาลอนงานขาวเขาขาวดำก็แปลว่า สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการแสงสว่างส่วนสีดำเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมก็จะเรียกว่าขาวดำก็ไม่ได้แปลว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจิตใจมันจะขาวตลอดแต่ที่แน่ๆคือชีวิตเราความตายเมื่อจิตออกจากรลาง เอกจิตติมันเคลื่อนออกจากร่างไปแล้วคนทั่วไปปุถุชนจะมองภาพไม่ออกเป็นภาพมืดย่ผลไงคือภาคกลางวันภาคกลางคืนเพราะฉะนั้นธรรมชาติของชีวิตเราจริงๆก็คือภาคกลางวันภาคกลางคืนก็เท่ากันแบ่งเวลาเท่ากัน พักกลวันก็คือเนี้ยแต่ในชีวิตเราเกิดแก่จบตายเรียกว่าสว่างแต่ว่าสว่างทุกเรื่องหรือไม่ทุกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นกลางคืนนี้เราเรื่องกี่ยความเป็นจริงตามชีวิตความเป็นจริงของเราอย่างแท้จริงคือกลางวันเราก็ดิ้นรนก้นขวายเรียกว่าทำมาหากินเรียนทํางาน อย่างน้อยที่สุดก็แชั่วโมงโดยประมาณเพิ่ม8ปดโมงร่งสี่โมงก็แปดโมงชั่วโมงโดยประมาณย่เยวเ้นคนจะทำเพิ่มอันนี้คือกลางวันก็แปลว่าก่อนหน้านั้นสชั่วโมงเราทำอะไรตอนกโมงถึง8ปดโมงก็บวชแต่บริหานจัดการร่างกายตื่นหกโมงทํากับข้าวกับปลาเตรียม ข น, นลงทองขนลงทองเหลืวแต่สะดวกเดินทางถ้าก็รทำงานงานงานงานงานสี่โมงเยันกลับกลับเข้ามาเวลาสองทว่งกินอันนี้คนทั่วไปมาธ้ากิจวัดประจำวันก็หมดไปสรุปแล้วภาคสว่าง มันเป็นสิบสองชั่วโมงหกโมงเช้างวงเย็นที่เหลือเริ่มเปลี่ยนละจากพระอาทิตย์พระจันทร์เขาทำหน้าที่แม้าที่สองอาทิตย์ตกแล้วเป็พราะบ้านไหนบ้านทันบ้านเราก็ตกประมาณนี้ในบ้านอื่นอาจอาจะเร็วอาจจะเร็วก็ว่าไปตามภูมิประเทศแค่แต่ส่วนของโลกแต่ละหลักประมาณนี้ หน้าที่รลางคืนพระจันทร์เขาทำหน้าที่ต่อแต่พระจันทร์ก็จะนุ่มนิดนึงให้แสงสวา่างมันมีข้างขึ้นกับข้างแหลมส่วนพระอาทิตย์ไม่มีก็สิบห้าวันเดือนหนึ่งก็สามสิบวันแบ่งครึ่งข้างขึ้นก็สิบห้าวันข้างแหลมสิบห้าวันแสงสว่างก็ไปตามนั้นแหลมหนึ่งขึ้นหนึ่งวางกันไปกถึงสิบห้า ก็เปลี่ยนใหม่าทาหน้าที่กันอย่างนี้กือประจันในขนาดเดียกันพากมันมืดหลังจากสองทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วโดยประมาณเพราะหลังจากนั้นชีวิตเราชีวิตเราคือคนเราทุกคนมันจะต้องพักไม่ถึงกายทับกายไม่พักไม่ได้กายมันก็ได้พักแล้วหน้าที่ ที่มันเคยทําที่มันเคยดูคือมันเคยเห็นที่มันเคยได้ยินมันพักปดตาก็พักหูก็พักปากก็พักไม่พักอย่างเดียวคือจมกูกเนี่ยแหละทำลาที่ตลอดมันพักไม่ได้คือลมเข้าลมออกลมเข้าลมอลมอกนี่คือสิ่งที่ผูช้ชมมองเห็นชัดเจนว่าโอ้พู้จังลองไม่ธรรมาดานะพอหลังจากพักแล้วมาเพราว่าก่อน จะเหยียดยาวหัวเท้าอยู่ในระนาบเดียวกันจิตมันไม่อยู่กับกายแล้วนี้จิตหมายถึงเนื่องจากภาษะคือกระทบมันไ น, นีคือจุดโฟกัสเช่นตาเห็นรูปมันไม่หนีหูฟังเสียงมันนม่นีมันก็หลบอยู่ข้างในหลบอยู่ข้างในก็คือจิตที่มันอยู่ข้างในจิตที่มันที่มา ที่อยู่เด็กที่ไปคือตัวนี้ก็เรียกว่าวังพระจิตผวังก็คือมาจากภาวะอังคาภาวะอึภพต่างทางิคืองค์องค์คาพย อ, องค์งประกอบองค์ประกอบของพระองค์ชาติในตัวนี้หมายคือว่าเหมือนกับคนตายที่ต่างกัเนเลยคือลมหายใจเหมือนฝั่งลุนตอนนี้ไม่มีลมหายใจเขาก็นอนอย่างนี้แหละนอนเพราะนอนทุกคืน าตา ก, กันตรงนี้คือสติที่มาผัสสะกระทบของเราไม่มีเมื่อไม่มีมันก็อยู่ที่องค์ของมันผมประกอบอันนี้อันนี้มีที่หลับคนเราถ้าหลับหลับๆตื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าฝันบรรดคนที่ฝันคือคนที่หลับไม่สนิทบางทีเครื่องหลับพึ่งเพลนบาทีรู้สึกตัวเมืเวลาเพลิกรู้สึกตัวบ้างชั่วคราว พลังการกับเข้าที่เหมือนเดิมอันนั้นคือฐานของจิตเวาเราประเดติให้เราเข้าใจวองตอนนั้นคือฐานของจิตหมายว่าถ้ากําหนดปุ๊บเนึ่ยเข้าถึงตัวนั้นเลยเราจะเข้าใจว่าองค์มันเทื่อมพบชาติเป็นยังไงมันเกิดมันดับยังไงเพราะกันเกิดดับไม่เกี่ยวกับเกิดตายไม่เกี่ยวกัร่างกายเกิดดับนั่นคือพบชาติแปลว่าเรานนเรานอนเราชื่อตาก็นั่งสมาธิ เรานอ น, น, อนก็เรียกว่าฝันภาษาสามนันเรียกว่าซูบินเปรียบวัดลิมิตอันเดียวกันลิมิตคือเครื่องหมายซุ บ, บินคือฝันมันก็กลายเป็นความฝันฝันก็จะอะไรใจมันนึกอะไรขึ้นมามันก็เป็นภาพเรียกว่ามนโนภาพคือภาพที่เกิดจากใจนึกกุ๊แต่ถ้าตัวเกิดถ้ถ เ, ปเป็นกลางวันเ็าเรียกจินตนาการแต่มันมองไม่เห็นภาพ แต่เป็นจินตนาการเนตรงเนี้ที่อาบทอสตเอามาพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อันนี้อาบทอสตัยมาพูดหนะมายว่ามีความรู้แต่ไม่มีจินตนาการือทำงานไม่ได้รรู้มายัางไงก็ทำอย่างนั้นแต่คนที่มีจินตนาการฟัขงขวางข้างก้าไป คือคนได้เปรียบนี่คือความหมายแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเวลานั่งสมาธิเรามองเห็นภาพสินนน่งเหลนี้แต่เรามีสติมันมีสติตรงข้างๆเวลาเรานอนเรียกว่าฝันเราไม่มีสติํากับน้อยมากยกเว้นมารับรู้ข้างนอกอย่างเช่นเล็กตัว ผู้เขาหรือเสียงอื่นที่มันดังขึ้นชู่ขาวมันตื่นสะดุ้งขึ้นมามารับรู้ข้างนอกคือจิตมาออกไปข้างนอกนี่คือลักษณะของจิตของโกงเราจิตไปรับข้างนอกเหมือนตอนนี้เสียงกรนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ทีนี้ทารับแล้วหราหมอมเอาไปส่วนไปจะไปรู้เอรับแต่ไม่รู้มันก็เป็นเสียงเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นี่คือฝังมันินศัพจิตที่เครื่องรับเครื่องถึือดูสงบแล้วเป็นอย่างนั้น คือเสียงซับเต่ว่าเสียงเสียงอะไรไม่รู้เสียงมันจะเจวแจวแจวเจวเจวอยู่ตามธรรมชาติของเขามันก็ไม่มีมันแปลความหมายไม่ได้ไปสัญญาณไม่ได้แต่ถ้าเป็นลึกไปกว่า น, นั้นเมื่อเราเพิ่งตื่นมันก็จะมีเป็นภาพออกมาไปตามจิตนตนาการนั้นนั้นทั้งคืนคืนหนึ่งไม่ได้ฝันเรื่องเดียวออกจากเรื่องนี้ไปคือจิต น, นั่นแหละเหมือนจิตเราปกติธรรมดาจะเป็นกลางวันแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นภาพตั้นเอง ตอนนี้คิดเรื่องนี้เด็กก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้นับไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องอะไรเอาง่ายๆสาหรับทักษะนาทีที่ผ่านมาเราคิดเรื่องอะไร<ม>บอกย้อนกลับไปยังไม่ได้เลยเราคิดเรื่องอะไรมแค่ผ่านมาสามนาทีเองนะเรายัางจำไม่ได้ว่าเราคิดอะไรไตอนนึงมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันว่าเกิเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนี่ลักษณะของการคิดที่เป็นกลางวันกลางคืนเป็นอย่างนี้อืม เพราะนั้นเจิตที่เป็นกลางคืนเนี่ยก็ก็จะอยู่กันอย่างนี้เราจะเร็วจิตที่หลังการตายปฏิทักษ์กลางวันในภาคกลางวันเราไม่ฝึกค่ะสิ่งเหล่านี้ให้รู้ความเป็นจริงว่าเออระวังนะ่าถึงกลางคืนขึ้นมาเนะี่ทําอะไรไม่ได้ในร่างกายแต่ว่าข้อดีของมันก็คือจิตมันได้พักก็คือร่างกายเนะี่ยมันได้พักคือมันไม่ได้ใช้งานมากเกินไป ทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักหรืออะไรมันก็จะกดทับลงมันจะหนักกว่าปกติเพราะว่ามันไม่ได้ประกองเอาไว้แต่เพื่อนกลางวันหรือเรายืนเดินดังนอนเราเรายังกับประกองร่างกายอะไนี้ไว้แต่เราหลับไดเต็มที่ทิ้งเต็มที่เลยคนตายก็เหมือนกันเวลาคนตายเขาจะหนักสองคนเอามาอยู่ซึ่งปกติมันหาไม่ได้ แปลว่าคนตายจรงมันเอาไม่อยู่มันหนักอันนี้คือธรรมชาติเองมันสอนเราในชีวิตประจําวั น, นแต่นี้เราจะอยู่กลางวันยังไงจะอยู่กลางคืนยังไงก็แต่ว่าอยู่กับความสว่างยังไงอยู่ความมืดยังไงอยู่กับชาตินี้หรือปัจจุบันในชาติยังไงอยู่กับต่อไปอนาคตจะยังไงมันก็อยู่ที่ปัจจุบันบุญยาดจึงบอกว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนี่คือความหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันกือทุกขนาดจิตได้เป็นการดีถ้าจิตของเราน่ยอยู่กับขนาดจิตที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นในตรงนี้หลวงปู่แหวนของเราก็ก็ย้ําที่เป็นเรื่องปัจจุบันนะครับถ้าเราเคยไปฟังฟังเทศหลวงปู่ในเรื่องปัจจุบันทำหลวงปู่จะพูดแบบสำนวนสดตล์ของท่านท่านบอกว่า อดีตก็ดีอนาคตก็ดีท่านบอกเป็นทำเมาปัจจุบันเป็นทำโผอันนี้เป็นกับผู้ของหลวงป่ น, นี้เรามาดูว่อาอดีตกับอนาคตเป็นทำเมาได้ยังไงเป็นทำเมาท่านบอกอดีตคือที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปัจจุบันหันหลังคือมันจบไปแล้วบาดแล้อนาคตมันก็ยังไม่เกิด เพราะนั้นอนาคตจริงแปลตรงๆยังไม่มาถึงคือความหมายของเขาแปลว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึคือยังไม่มียังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นคือต้องการให้จิตของเราอยู่กับสภาพที่เป็นปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้อยู่กับปัจจุบั น, ม ห, บมบนหมายก็ว่าอารมณ์ของจิตเราใหอารมณ์เปนปัจจุบันวันนั้นอะไรก็ได้กําหนดให้เราอยู่กับปัจจุบัน โดยเฉพาะ่ตัวสําคัญที่สุดนนคือลมหายใจดังกล่าวถ้าไม่มีลมหายใจกับหมดไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งหรือนอนยังไงก็ตามลมหายใจเขา ท, ทําหน้าเที่ของเขาเขาจะอยู่ท่าไหนเขาก็ทำเทียบเขาอย่างนี้ถ้าไม่มีลมเมื่อไหรหรือลมน้อยลม อ, อ่อนลมแ ป, ปลโปวนเมื่อไหรร่างกายเราก็ผิดปกติประโยชไม่ได้ยิ่งกว่า น, นี้คือขาด ขาดลมไปเลี้ยงส่วนไหนก็ตั้งแต่พอร่างกายว่าจะเป็นสมองว่าอะไรว่าสมองก็ยู่ลมคืออากาศก็คือออกซิเจนนั่นแหละในเชิงที่ละเอียดก็อันเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงลมเนี่ยเป็นรื่องของยาบอากาศเป็นเรื่องของยาแต่เป็น ygen, ออกซิเจนเนีจะเข้าใจตัว เ, เดียวกันมันจะเป็นต้องมีเสียงหลอนนี้ว่าคาเสียงหลอนนี้มาอะไรเรียบร้อย อันนี้คือภาคกลางวันนะส่วนภาคกลางคืนมันต้องเป็นห่วงแขนขาตาจมูกหูตามันไม่ทําหน้าที่มันก็หมดสภาพมันไม่รู้เลยซ้ำว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรมันก็ยึดกับภาพที่มันมองเห็นในะขนาดนั้น น, ะนั่นแหละคือภพชาติคือจิตเราจะไปจุดติเคลื่อนไปสมมติเราเคลื่อนไปในขระานแล้วมันอันตรายถ้ามันไม่มีสติคือมีสติน้อย รู้ติไม่มีเลยนะมันยิ่งหนักก็้นอีกนั้นคนที่ไม่ฝึกเลยเนะี่ยยิ่งหนักก็้นอีกไม่รู้จะกำหนดอะไรมันระลึกไม่ได้นึกไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกภพหนึ่งเขาจะอยู่แค่สี่ตัวนะคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เขี่ยนกรูปแล้วรู๊ปยาอันนี้ไม่มีนี่ น, นะแล้วที่เราบำรงดูแลรักษาเลี้ยงต้านได้เกิดเจ็บเจ็บตายทั้งหมดทั้งมวล ไม่ว่าจากขเข้าของเราแล้วแต่ไม่ได้ว่าตัวตนโยอตาตัวอตาอนาตตาตราบใดที่ยังเรามองไม่เข้าใจเรื่องอนาตตาเราก็อยู่ในอตาขนานั้นแหละที่สองเรื่องตัวอนาตานคืออะไรอือ ars, ตัตาแปลไม่มีตัวไม่เป็นตนใช่ไหมอัตาไม่ได้แปลมันไม่มีตัวไม่มีตนเะไรที่เข้าใจ มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมายึดถือเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาต่ว่าอนัตตาถ้ารเรจะถามในอ น, าตานัตตะกนัตโสดจะทำกันคมาจากอนัตคือการที่สองที่พระเจ้าสอนเป็นเจ้าพ่อี่แล้วก็สเสวจอาหารตั้งห้าตั้้าทันก็เพราะการ น, นี้คืออนัตตาลาักนัตโสดพูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาตั้งการวิญญาน ให้มองเป็นใจลักษณ์มันคำว่าวิพัสนาอยู่ตรงนี้แล้วคาวิปัสนาก็คือพูดถึงแอกมองเห็นจะมองเห็นทำไมถึงเห็นข้างไหนภาษาอังกฤษถึงเรียกว่าใช้ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษฝลังเขาเรียกว่าเห็นข้างไหนคืนหนเห็นข้างไหนอินไซต์ คือวิปัสสนาคือเห็นจากข้างในไม่เห็นข้างนอกป่วยง่ายคือตาในไม่ใช่ตานอกตานอกคือตาเนื้อตาหนังธรรมดาที่เราเห็นเห็นให้เกิดความรู้สึกนั่นนี่นู่นอันนั้นคือตานอกะส่วนตาในนั้นคือปัสนาต้องเห็นด้วยตาในแต่ละการเห็นด้วยตานในต้องเห็นด้วยกันละทอนปล่อยวางไม่ได้เห็นด้วยกันยึดด้วยกันด้วยกันถือคือถือเราถือเขา บิษัทบุคคลตัวตนเราเขาเด่นใจทั้งสิ้นเห็นกระสับตะว่าเห็นรู้กระสับตะว่ารู้เนี่ยก็มันกิเกดเลยแต่ใจก็คืออธิบายเสมอว่าด้สภาวะของจิตจริงๆคือใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเขาม่เกี่ยวข้องนะนั้นพระเจ้าของเราทําให้ดูเคยเล่าหลายรอบแล้วรูปข อ, อ, องรูปคือทําลายรูปอรูปตัว น, นี้ได้พระเจ้าทำให้พวกเราดูแล้วก่อนนี้ไปผ่าน ในขณะที่จะบริิบาลคือจิตจ่อจับร่างเนี่ยการก็กําหนดเนี่ยคือถอยเข้าถอยออกคืรูปกับอารูปรูปกับอรูปสุดท้ายก็วางวางรูปกับอารูปเป็นที่ถยนี่เรียกว่าพ้นคือพ้นจากรูปกับอารูปนี่แหละคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้เขาอาการจะไม่มีทุกข์ละเพราะทุกข์เกิดจากรูปนี่แหละถ้าให้มีรูปหรืออารูปถึงแม้มีอารูปคือไม่ใช่รูปรูปที่อยหยุดมันก็ยังเป็นทุกข์แต่ว่ามาสบายหน่อย อยู่ได้นานหน่อยเอกตัต้งใจมันก็คือทุกแต่ผู้ชาวหหวางสิ่งเหล่านี้แตาจะเรื่อสิ่งว่าพ้นทุกคือพน้นจากรูปกาอารมณ์นี่แหละโดยความหมายเพราะฉะนั้นใครยังยังคล้องอยู่เนี่ยรูปการอารมณตัวเนี้ยคือจิตมันยังคล้องอยู่เพราะฉะนั้นพระอราหันต์อันนี้ตำรานะมัด น, นเองตำล้านั้นบอกว่า ก็ท่านกําหนดมาได้ว่ากลางคืนก็ท่านท่านกำหนดจิดดตตายท่า น, นไม่อยู่กับวันกลคืนเปไงเขาไม่มีฝันทําไม่ได้ฝันอย่างพวกเราอยู่ในนเรียกว่าเป็นนิมิตในทางสมาธิเขาเรียกว่านิมิตก็เราก็ไม่เรียกว่าฝันเพราะอะไรเพราะมีสติเอางอ่ายๆอนี้แต่ขณะที่เรามีสติเราไม่เรียกว่าฝัน เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าพันเราเรียกว่า น, นิเน็ตเพราะมันมีสติอยู่สติมากน้อยเรื่องหนึ่งปัญหาอาหารหลักการเรียกผมแล้วก็จะรู้ของท่านอย่างนี้นแต่ละพักแป๊บเดียวท่านก็นจะสดชื่นเหมือนพวกเราถ้าจิตมันได้พักพักมันจะภาวนาสมาธิเรียกอุปจาระเอากระดกตัวเป็หมือนคนนอนหลับนะมือคนนอนับตื่นขึ้นมามันสดชื่นสามวงสีชั่วโมงแล้วแต่คน ก็ตื่นขึ้นมาเช้าเพื่มาจึงรู้ว่าโอ้ยังไม่ตายคือมีสตินั่นแหละในขณะที่เราหลับอยู่มันไม่รู้ก็คือสติแต่ไม่อะไคือมันอวิชชาที่พระเจ้าตรัมเรี๋ยวย ว, ว่าอาวิชชาเปิด อ, อย่างนี้มันมันไม่รู้ก็คือไม่รู้แจ้ ง, งจริงตามความเป็นจริงคือมันไม่ได้เป็นปัจจุบันธรรมรู้ขึ้มาท่านเพราะฉะนั้นรูปูวนนั่นว่าทั้งสองอย่างมันเป็นทำเมา มันไม่ใช่ทำมูคือไม่ใช่มาถี่เพื่งได้ทำมลเพื่งได้แต่ทำเมาเพื่งไม่ได้เหมือนคนเมาเป็นคนเหมือนกันครับเมาเมื่อไหร่ตัวเองยังเพื่งตัวเองไม่ได้เลยเดินยังไม่ตรงเลยนี่คําเมาก็คือมัวเมานี่ยนะอะไรประมายนี้อันนี้คือหลวงปู่ท่านอปุปมาอปุปมาอีกแต่ทีนึ่ก็ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังละเอียดเรื่องดินน้ำพายลมเรื่องร่างกาย รวงูท่านจะอุปมาอุปไมยในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนมากว่าหลังจากร้อยเรียงให้ละเอียดชาดเจนเนี่ยระวงูเริ่มต้นพูดตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ท่านก็นจะพูดกับทปกติตรมาไม่ได้เดท็ท่านก็นจะพูดธรรมดาของท่านเมันเท็เหมือนครูบาอาจารย์อื่นตั้งนโมตั้งพระสิทธิ์ก็ไม่มีหลวงปูจะขึ้นต้นก็นจะรำก็จะไปอย่างนี้เลอธรรมชาติ ไม่มีเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดจบคือจบขึ้นหือขึ้นนี่คือลักษณะเหมือนกับจิตของพวกเรานะถ้าสำหรับคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปครับบอกไม่รู้จักจุดเริ่มต้นไม่รู้จักที่สิ้นสุดของจิตซึ่งบุคคลทั่ไวไปตามตามตามรู้ไม่ได้ตามรู้ไม่ทันดูสภาวะหมายา็ว่าที่ผ่านมาคือภพชาติที่ผ่านมาจิตมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถย้ยอนไปได้แต่ถ้า ว่าอาจารย์ที่ท่านทำได้ท่นสมาธิย้อนดูอดีตอาทตที่บอกเล่แต่ปากว่าอาดีตเป็นทาเบาอนาคตเหมือนกันมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือรู้เป็นทำเบาปัจจุบันอะไรก็ทําโม่เนี่ยก็หลวงปู่เราก็เลยเอามาพูดกันแต่ที่มาทีไปก่อนนั้นหลังจากนั้นท่านพูดถึงเรื่องใดเดี๋ยวหลังนั้นมีโ อ, อกาสยาวก็จะมาเล่าให้ฟังทำมาจะปากก็หลวงปูง่ เดยวน้เรามาดูทางวันกลางคืนตอนนี้สองทุม่มเกือบใกล้สองทุ่มแล้วเนี่ยกลางคืนถ้าเป็นทั่วไปกันเตรียมตัวหลับแล้วเตรียมตัวหลับแล้วก็ไปเตรียมตัวหมดสติแล้วอย่างนี้ไปสติประจันต์นับมนไม่เหลือเหลือแต่องค์ข้างในองค์ข้างในคือเวทนาสัญญาสังขารยุทธานแต่รูปที่เห็น เ, นเกิดจากการจิตตังการมันเยอะแยะเรื่อมโนภาพคือภาพเกิดจากใจนึก จึงเรียกว่าฝันอันนี้คือความฝันนี่คือมโนภาพหลังจากนั้นก็มันหลับมันหลับก็คือลองล็อกมันมันก็อยู่แค่สี่ตัวมันก็บองเห็นเป็นรูปเป็นรา่นรางเป็นสัตว์เป็นคนคนเราเขาเหมือนกันหมดอยู่ที่ภาพความจําเรามันผูกพันกับอะไรพูดถึงคน น, งนึกถึงสุนักภาพสุนัขมันก็ออกมานึกถึงสุกรภาพสุกร ก, ก็ออกมาถึงบอกว่าต้องระวัง ถ้าจิตเราไม่เคยฝึกเลยนึกแต่ของที่ไม่ดีต้องระวังโดยเฉพาะอันยิงน่งคือจิตที่กำลังจะออกจากร่างอย่าไปเล่าอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์นเช่นไปเล่าตรงนั้นตัวนี้นนนไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อ๋อจิตมันคือออกจากร่างแล้วมันก็จะจำกลายเป็นจินตนาการมันก็จะจำสิ่งเล่านะั้นเี่นจะบอกว่าจําได้ไหมสมัยนั้นเราไปเที่ยวสวนสาธาร์เต็มไปด้วยสาระเป็นจิตในขณะจะออกจากร่างต้องระวังเร็วจิตสุดท้าย เราไม่เคยฝึกบริหารไม่เคยกำหนดเลยอย่างน้อยที่สุดก็อยู่กับปุถุคตโมสังโฆก็อย่างดีอารมณ์ที่เป็นพุถุคตโมสังโฆนั้นเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างนั้นจิตมันก็จะไปปุโุคืออะไรธรรโมคืออะไรสังโฆคืออะไรให้กาหนดกับเพราะการกาหนดจิตจีเป็เรื่องสำคัญกาหนดยังไงเป็นใจจิตให้เราอยู่กับรงกับลอยกับล็อกให้มันอยู่ได้อย่างน้อยก็คือมันกำจัดความฟุ้งซ่านสำหรับคนจิตไม่สงบ ไม่นกำจัดความฟุ้งซ่านของเราได้คือความรึกคิดปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารนั่นแหละมันทำหน้าที่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเขาแ ท, ท็กทีมก็ทําหน้าที่แต่ประเด็นสำคัญคือเราไม่มีผู้รู้หลพอ่อจะพูดด้วยเสมอให้การรู้ตัวก่อนก่อนที่ตัวรู้ขึ้นมาให้เรารู้ตัวคือสติผู้ ร, นะรู้นะคือพุทโธเขาเรียกมีพุโทโธ มีผู้รู้อยู่ข้างในเหมือนก็มีครูมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่คอยบอกบอกในทางที่ถูกต้องเลยนะซึ่งต่การนิมิตนิมิตนั้นมันมีทั้งจริงและไม่จริงในมิตมันมีทั้งเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเนี่ยอันนมิตที่เราได้ยินได้พามาทางเราเราก็จะติดกับคนนี้เหมือนเป็นเสียงเช่นตอนนี้เสียงคนรเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจนี่ยอันนี้อันนิมิตที่เป็นเสียง มันก็จะมีเสียงไปสอนบางทีก็สอนทำอธิบายทำเด็กันเล่าเรื่องแต่เราไปติดไปยึดไปฟังมันมากเกินไปแล้วก็คล้อยตามไปยุดอะไรนั้นเป็นจริงเป็นจังพอกลายเป็นว่าเราตกเป็นเครื่องมือคนนิมิตนะก็ไปนหนไม่ได้นะถ้าวันไหนนิมิตไม่เกิดก็หนังสวาธิไปนะโครงสร้างพอนิมิตเกิดก็เป็นคล้อยตามฟังโดยไม่ได้พึ่งพาตัเองเพราะฉะนั้นะสำคัญทนะี่สุดคือสติปัญญาของตัวเอง เตัวพิจารณาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เป็นนิมติตคือรูปก็ตามเกล่นกรตามเสียงก็ตามที่สําคัญก็คือมันก็เหมือนกับร่างกายของคนเราหมายกับว่ามันเกิดแล้วมันจะต้องดับอันนั้นคือธรรมชาติ่วนิมิตที่เป็นรูปก็ตามเป็นกลิ่นก็ตามเป็นเสียงก็ตามถ้าเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยเหมือนกับมนุษย์เราตัวเต่เจ็บตายเหมือนกันเลยถ้าเกิดแล้วไม่ดับ แต่มันยินเสียงก็ได้ยินอยู่ตลอดเนี่ยอันตรายนะส่วนปรุงถามหาแนะหลายท่านเช่าเป็ดจนไก่เราเร็วไปประหลาดสําคัญผิดยินเสียงที่นี่ที่วัดเราก็หลายรูปบางคนว่าคุยคุยกันอยู่เดียวเดียวก่อนเดียวก่อนก็มีอะไรหลวงปู่เพียรกำลังจะมาะเหตุต้นเหตุมาจากถามแล้วว่าเกิดจากไปเพ่งพระพุทธรูป เพ่งเพ่งรูปแล้วก็ไปเพ่งนาพุทธรูปไม่หมายมันก็ดีเห็นมาลงจิตไปม า, า ม, มันเป็นเม็ตเป็นเป็นเสียงเป็นรูปออกมาเป็นรูปครูอาจารย์นะพอสมัยเราเลือกถึงหลวงปู่นะหลวงปู่นั้นก็จะลอยมาแล้วก็โอน้นะั้นก็จะลอยมาเป็นเสียงก็เหมือนกันแค่จริงยังไงไม่หมายมันก็ดีมันก็เพลินมันก็เชื่อฟังสุดท้ายเหมือนกับนั่งฟังเทศน์น่ารักเข้า มันเริ่มเพี้ยนถ้ากำลังขอสมาธิมันอยู่ที่กำลังถ้ากำลังของสมาธิมันอ่อนรัตติจริตตัวเป็นตัวชีวิตกำลังคือพลังนั่นแหละเหมือนพลังของแสงพลังของเสียงอันเดียวกันเหมือนไฟฟ้าอะไรเนี่ยคือแรงเทียนคือโบนถ้าแรงเพียนมันน้อยมันก็อ่ อ, อ, อนๆจางๆถ้าแรงเทียนมันก็สว่างจางเหมือนกันจิตของเรากตอนในขณะที่แรงเทียนมันน้อย คือกำลังของสมาธิมันมีน้อยมันก็รับพลังที่จะเป็นรูปเป็นเสียงมาไม่ได้สุดท้ายก็เพียนสมบัติก็เสียงเรานึกถึงความเป็นจริงเสียงชัดอยู่ดีสมบัติมันอ่อนลงมันก็เสียงโอเออเอก็ฟังไม่รู้เรื่องเสียงของคนเหมือนกันนี้่มิตุมื่อก็จะเป็นลังสณะนี้รก็จะตั้งฟังครับข้อสําคัญก็คือไม่สามารถที่จะวางได้เนี่ยประเด็นใหญ่เลย แต่ถ้าคนที่ทําได้จริงๆคือมันต้องวางได้มัดก็อยากจะวังก็วางได้อยากมันดับดับได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามันเป็นเป็นลูกน้องเป็นลูกมือเขาสุดท้ายก็เชื่อฟังที่นี่หลายรูปบางคนบางองถือกับมัดเอาไว้เองัดขา บ, บางคนถือสองศูนย์ปุงเลยบางคนถึงบอกหลวงพ่ออาจารย์บอกวต้องหยุดปฏิบัติหรือไม่ก็ไปทํางานอย่างอื่นก็ได้มันลืมให้ลืมอารมณ์ตนี้ เพอะไรเพราะว่าเมื่อมันติดแล้วมันไม่ฟังใครใครบอกก็ไม่ฟังเพราะว่าถือว่ามันรู้มันเห็นมันได้ยินแต่คนที่พูดมันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมันตีว่าอย่างงี้ก็คือเก่งอะคืออาหารการว่าบางการความยึดถือตัวตนแต่สุดท้ายพลาดพลาดก็คือสติเสียส ต, สติสติมันน้อยสติไปพลาด ก็ตัดไปแก้ไขไปสวนปรุงเขาก็ฉีดยาไฟฟ้ากระตุ้นน็อกช็อคนะให้มันลืมอารมณ์เนาะคือให้หลับไปเลยคืกินยานอนหลับให้หลับไปเลยคือไม่ต้องไปจําภาพนั้นๆได้ตื่นขึ้นมา ก, ก็ดีขึ้นม่ลักกระเหมือนกันไม่ต้องเราต้องระวังอันนี้เป็นตัวอันตรายโดยเฉพาะยิงยื่ปนืนปืนปืนจะลืมไปกู้ควบรุมมีปนนะัญหาเนี่ยปืนปืนคือการสำคัญผิดเป็นผิด เข้าใจผิดมันไม่ใช่ความจริงคือเปลียนใจมันวิปัสนาวิเลอันตรายเราไปยึดไปติดแล้วมันวางไม่ได้วางสี่มันเห็นไม่ได้วางที่ได้ยินไม่ได้อันนี้คือสำคัญวางไม่ได้ก็คือติดนั่นแหละแต่ไปรู้ตัวเองว่าติดก็คือไปชอบพูดง่ายๆตรงๆคือไปชอบของเหล่านั้นก็ไปติดก็เลยกลายไปคอง อยกับสิเหล่านั้นไปถอนไม่ได้วางไม่ได้อารมณ์ของฌานก็นเหมือนกันคือวิตกวิตาปิติสุขเอกะกะตาขั้นตอนเขาเป็นอย่างนี้เนื้อระวางไม่ได้ทั้งอย่างวิตกวางไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับวิตกอย่างเดียววิจารปิตสุย า, าไม่เกิดขึ้นมันก็งุงซ่านจิตวิตกมันไม่มีแต่ความไม่ตกผู้วิตกะมีความตรึก็เรียกว่าเปลตตรกเสร็จแล้วก็ตรอง ไว้ตกพิธีการจนเกิดวางวางไว้ตกวางจานคือจองนะั้นจะเกิดปิติที่เรานั่งแล้วมันบางบางทีมันลุดขลุกสู้ขึ้นมาบางทีก็ น, นำตาไหลขึ้นมาโดนไ้ทุกส่วนนั่นคือปิติพิธีนั้นเป็นอาหารอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เขามีแต่เวทนาสัญญาสการวิญญาณเขาอยู่ได้ปิติแม้แต่พรมชั้นอภิษราพรมเนะี่ยเขาก็มีปิตินั่นคือเป็นอาหาร เป็นอาเขาเนี่ยพิติเป็นอาหารดังนั้นคนแสดงก็พื้นฐานเขาผู้นี้ก็คือองค์ชานนันเองพอจะได้เป็นขนาดนั้นก็คือพื้นฐานก็องค์ชาตยึดพิธีแต่ติดแค่พิติเนี่ยไปในตาไม่ได้พิติกสุขะก็จะต่อบางสบายอุเบกขามันวางเส็มไปได้แต่มันก็เพ่งอยู่ตรงนั้นก็คือมันเจอว่าเพ่งเลยเฉยๆอุเบกขาเนี่ย หรือเปคายนคาแปลว่าเพ่งอยู่กับอารมณ์อะไรอันหนึเนี่ยขาบอกปล่าว่าอยู่หมายคือยังติดอยู่อารมณ์นั้นอาจจะลมละเอียดเบาสบายจนไม่มีรูปเลยเป็นเหมือนสําคัญว่านั่งนั่งไปแต่เหมือนไม่มีรูปบางคนเคยอัดได้อารมณ์อย่างนี้คุณนั่งแล้วเหมือนกับตัวตนมันหายไปเลยอืมคือสภาว่าจิตทิ้งหรือแต่รูปก็อารูปรูปมันยังติดรูปอยู่ อารมณ์นี่คือมันอยู่ที่ว่างๆอารมณ์คลงชานแต่คนที่ได้ผลยิงมันต้องทําให้เป็นชํานาญต้องชํานาญปั่งๆคือกําหนดลมหายใจเข้ายังไงให้มันอยู่เลยแล้วก็กาหนดต่อได้เลยเป็นอุปเเบกจะลมได้เลยยิ่งเร็วส่วนใหญเป็นการดีแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนมันคือที่ว่ามันได้พักร่างกายมันก็ดีหน่อยที่ว่าร่างกายมันได้พักหมายถึงได้พักในขนาดนั้น จิตมันก็ได้พักมันก็จะได้มีกําลังมันไม่ต้องใช้กำลังทุกวันมันจิตมันมันเนิ่นไม่ได้พักทําหน้าที่ตลอดเหมือนร่างกายร่างกายของเราถ้าทําหน้าที่ตลอดมันก็เช่นเดียวกันมันก็เหนื่อยจิตก็เช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ลักษณะเหมือนกันแล้ยกวองค์ของสมาธิทตนี้มันอยู่ที่ว่าของเหานี้เราทําได้มากน้อยขนาดไหนความชํานาญมากน้อยขนาดไหนแต่เือนสำคัญคือบ่อยไหม บางทีมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยคอีงเลยคืออารมณ์นนเี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องพยายามสืบต่อต่อเนื่องพยายามที่จะจําอารมณ์นั้นไว้แต่มันถึงกับติดทําไม่ได้แล้วมันฟุ้งสั่านราคาญมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างนึงเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มันสุขคือสบายตามสบายสบายลมหายใจบางคนก็นบอกว่าเพ่งแล้วมันปวดปวดตาปวดาปวดหัวเพราะนั้นเราไปเพ่งมัน คือเอาไปจิตไปจูดกันนะเช่นยูุนาพาดยู้าอยู่ชมูกดูสีษะเราไปเพ่งมันซึ่งแตกครับเราหายใจปกติก็ไม่เห็นเป็นไรลมใบถึงไหนก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้าเราไปเพ่งมันไปดูแล้วไปจิตไปตามลมไปเพ่งแล้ววางไม่ได้เนี่ยแต่ว่าใหม่ๆมันก็ต้องดูดูกันเข้าออกตูต่างแเข้าตรงไหนถึงตรงไหนออกตรงไหนมันไปเจ็กดมันนิสิติกดลุกสู้เลยถ้าเราทําชํานาญเวลาเราเข้าแล้วเราออก มันเหมือนกับใบไม้หมือนก็ต้นไม้เวลามันจะตื่นมันก็ค่อยๆตื่นเวลาหลับมันก็ค่อยๆหลับเราก็เหมือนกับสมองเวลำจะออกมามันจะคลายโดยพจน์ยึดเงือนท้ายถอยดวงทีสระรู้สมองกลางกระหม่อมหน้าผากกระสุดเด็ติดอาจจะมาแต่ผมจะเริ่มรู้ตัวเนี่ยเรรู้ตัวคือรู้ข้างนอกรู้ขนางนอกที่เราปกติดนั่นแหละเพราะนั้นจะออกมาก็าาาค่อยๆถอนออกมาคือ มันเข้ายังไงก็ออกงานแปลว่าเข้าไงคือลมหายใจยังไงก็หายใจให้อาหายใจยาวยาหน่อยหายใจเยอะน่มันก็รู้ตัวละถ้าใจมันมันจะเข้าไปา ก, ก็หายใจแล้วก็กำหนดหายใจปกติธรรมดาให้มันสั้นธรรมด า, มดาไม่ต้องไปกั้นมันไม่ต้องไปกลั้นลมหายใจขนาดนั้นเพียงแต่หายใจให้มันแผ่วกัเบา ล, ลงแล้วก็ให้มันเป็นธรรมชาติมันจะยืนเดินนั่งกระต่ายนะครับให้มั น, น, น, นเป็นธรรมชาติดูแค่นี้ จำอารมณ์กันแต่ต่อจากนั้นมันทำคารองมันเองมันจะเป็นเองแตจิตมันสงบเจ็ดมาเข้าถึงไหนออกถางไหนแลโดยว่านยื้อกำหนดลมหายใจครับกำลังกาหนดไปสู่ลมหายใจครับอาจจะข้าดึงเท้าหมู่ศรษะถ้าเรามาถึงท้องถึงปลายเท้ากําหนดทีเดียวแต่มัทั่วร่างกายหรือซัมป์ปชานุคือมีสติรู้พร้อมทั่วร่างกายเรืัมป์ปชานุสติตัวรู้โดยเฉพาะเป็นครั้งเป็นคราว ในตัวสตินี่จากสติธรรมดาคือสติทั่วไปถ้ามันเยอะถ้ามันมากขึ้นคือรู้ตัวพร้อมถึงที่ขึ้นมาขึ้นเยอะขึ้นเราเรียกว่ามหาสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเงี้มหาปัญญามหาสติมหาส ม, า, สม า, สสาธิเหมือนกันนี่คืจิตรวมใหญ่ทีระวาจานท์นั่นเองรวมเล็กรวมใหญ่จิตมันก็จะรวมใหญ่มันก็จะต้องมีกําลังมีพลังมากขึ้นเหมือนแรงเพียนมันก็จะสว่างมากขึ้น เพราะจิตของผู้รผู้ตื่นผู้อานิสจสว่างมันจะไม่มืดเชีงผู้เรามองแล้วก็เราปุ๊หมือนก็สว่างประเด็นสำคันคือสภาวะของจิตมาทากใจอย่างนั้นบุญธรรมอะไรมันจะมีกํำลังบ่ทันได้พักพักแป๊บเดียวเหมือนกับคนสับประงนกเตือนขึ้นมาเอามันสดชื่นว่าจิตก็ได้พักจิตแต่จิตมันต้องลงมันต้องสงบมากน้อยไม่เป็นไรจิตมันจะมีกํำลังเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูว่าเวลา ก่อนหลับก่อนนอนให้กําหนดลมหายใจเป็นสมาธิไม่เป็นแจงหัวมันให้กำหนดลมหายใจเข้าหายออกเป็นหัวโจธาตุโยห์ให้นอนไปกำหลมหายใจใใ จ, ใจิตเราจะมีกํำลังจิตเราจะมีพลังตื่นขึ้นมามันสดชื่นถ้ามันกําหนดให้มันรู้ตัวคำว่ารู้ตัวหมายถึงสมมติว่าตั้งสติเอาไว้คือสัจจานั่นแหละตั้งสติเอาไว้ว่าถ้ารู้ตัวอะไรเช่นพลิกหรืออะไรก็แล้วแต่จะกําหนดพุโทโธ ก็หนดระบายใจเข้าทันทีต้องคิดอย่างนี้ต้องฝึกอย่างนี้ต้องทาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยมันเป็นแรงช้างมันรู้แต่ว่ารู้พลิกตัวก็รู้หลักแล้วก็ไปให้กําหนดอย่างนี้เลยก่อนหลับก่อนนอนตั้งใจตั้งค่าไว้อย่างนี้มันตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ถ้าตื่นขึ้นมากำหนดทันทีต่อไปจะเป็นนาฬิกามันจะเป็นอัตโนมัติแม้ว่าตั้งนาฬิกาปลกได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกา เมื่ตื่นปีห้าเนี่ยตั้งคิดไปว่าปีห้ามันก็จะถอนออกมาคือนั่งสมาธิจิตมันลงลึกเสีแลึกแค่ถอนจิตออกมาคือนึกถอนอธิฐานต้อยออกมาเพื่อแค่อยู่อุปจารสมาธิพก็มันลงลึกไปมันไม่เกิดปัญญามันหลับลึกจนไม่เกิดปัญญาเหมือนคนคนที่นอนแล้วมันไม่ฝันนั่นคือจิตมันลงลึกอันไม่ฝันเมื่อมันฝันมันก็ไม่เห็นอะไร ไม่เห็นนะมันก็ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้ต่ตอเรามาขนันอุปใจตสมาธิคือมารับรู้คือมีสติพยอพูดง่ายๆมีสตรริรับรู้ข้างนอกรับรู้คือรรู้ปัจจัรับรู้เวทนาเวทนาคืออะไรคือสุขทุกข์เฉยๆคืออารมณ์ทั้งสามอย่างแะแล้วให้รู้ว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์มีเฉยๆมีหน้าที่รู้อย่างเดียวไั้นเรียกผู้รู้ได้ผู้รู้คือมีทีร่รู้แล้วก็วางไม่ใช่ยึด แต่เรารู้เราออกมายุดเนี่ยคือเราแตกต่างรู้ขึ้นมารู้ทุกเรื่องเลยมากระทบมาภาษาเราไปยึดคือไปติดไปคล้องในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตกลางคนที่ฝึกเราก็เ ป, ป็นามต่างกันตรงนี้ที่เราติดกับพว่า น, นี้ยเราไปคล้องกับมันเราไปติดอยู่ต่นั้นเราไปเกาะอยู่นะั้คือเอาความรู้สึกความคิดพวกนี้เอาไปเกาะตรงนั้นไปฝากชีวิตไว้กับตรงนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้นี่ยเขาแตกต่างเพราะฉะนั้น การปฏิบัติของเราต้องการให้เราฝึกอย่างให้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่ขั้นต้นหยาบกลางละเอียดเหมือนลมลมหยาบตรงกลา ง, ล, งาลมละเอียดก็ให้รู้ทีนี้แข่งขักับลมละเอียดเพราะลมละเอียดแค่หายใจแผ่วๆเบามันจะเป็นเราที่บริสุทธิ์มันลมบริสุทธิ์ก็นอนแปบเดียวนเป็นทองแล้วจะดูว่าทองมันปังเราเมันยุ ON, ูแป๊บเดียวนะโลละถึงสมองขาดสมอง นี่มาสดชื่นมันไม่เกร็งแต่ถ้าเราธรรมดาแล้วมันเพ่งมาแล้วมันจะเกร็งทั่วร่างกยจะเกรงหมดแต่ก็ดีนะในการฝึกให้รู้ว่าจากน้อยๆก็เริ่มต้นจากดึงหยับจับดึงอย่างยากให้กลายเป็นกลางๆลงกัเลยอย่งนี้อยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจมันเป็นธรรมชาติของมันเองหลังจากนั้นมันจะต่อของมันเองมันจะเป็นมันเลยอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาตินี่คือกลไกของร่างกาย ลังจากนั้นครับเมื่อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาแต่ถ้าขันเป็นสติสมาธิก่อนนะพิจารณาในนั้นก็กายเป็นปัสน์ทำพิเศษปัสน์การพิเศษนึกอะไคือไม่เกิดปัญญาแต่มันก็ได้แค่สัญญาคือจำาำๆๆจําว่าอันนั้นจําว่าอันนี้จําว่าอันนู้นมันไม่ได้เป็นปัจสน์ในปัจสนาต้องต้องเป็นไปเพราะความลอดทนปล่อยวางเห็นแล้วต้องเป็นเพื่อเขาอกครับไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เป็นกองอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมกันทีของเขาอยู่แล้วแต่เราเราไปยึดเราเป็นของเราของเขาเนี่ยคมยึดก็คือไปเกาะในอุปท า, านวิจิตรตะเกาะตัวนั้นบนวางต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เมือน ข, นขันที่เรามีอยู่ต่างคนต่างยึดต่างคนต่างเกาะตางคนต่างถือป้องกันระหว่างไม่ได้กรอยื่นั่งกกันตัวเองกันห้านี่แหละ ก็คือธาตุสี่การหาดินนะไปลงป ก, าลปาการหารูปเวทนาจิตจากการวิญญาณนี่คือการที่สองที่พระเจ้าย่าหลังแกพูดแล้ว่สี่ในสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นเวลามายว่าสัพพสิ่งในโลกนี้มีการเกิดขึ้นธรรมดาเสียนั้นย่อมมีความดับไปนะพูดง่ายๆทุกอย่างมันเกิดแล้วต้องดับถ้าเป็นภาษาเราง่ายนี่คือการแรกะคนที่เข้าใจในคนเดียวคือทันยากวันทันยักก็โอ้กูนะโอ้กูเราเกิดต้องตายนะ เกิดแล้วมันตายไม่มีถ้าก็วางวางเป็นธรรมชาติอันนี้กันแบบกันอันที่สุย้ําก็พี่อีกว่ารูปเวตาลสถานธรรมมันมันไม่เที่ยงมันเป็นรูปเป็นอนัตตาเดี๋ยวอนัตตาณะคราสุสุมดมาถึงอนัตตาคือวางคือวางก็คือดินน้ําไปลมเขาก็อยู่ของเขาเดี๋ยวในโครงกระดูกโครงกระดูกก็คือลมมันถอดร่างนี้ออกไปก็ถอดดินน้ําไปลมแยกออก เล้อดต่ดดินคือโครงกระดูกพอไปโครงกระดูกว่าถ้าเราเราไปมองเราจะมองไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเพศกับไหนนี้ไม่มีถ้าไม่ไปสูน์ทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่รู้เลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นใครไม่รู้หรือแต่โครงกระดูกเนี่ยถ้าเรามองพิจารณาอย่างนั้นโดยธรรมชาติคือพอเราหมดสุดท้ายก็จิตมันก็จะเข้าใจาอ่อถ้าเรากิดทุกคนถ้าถอดออกมเกัเจอแต่โครงนี่แะคือร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ หรืต่กะโลกกระโดดแขนขาต่อกันมันไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีไฟไม่มีลมก็ทําอะไรไม่ได้นี่คือดินน้ำเป็นดงคือธาตุส่วนที่มันยึดกระทานเป็นเป็นรูปเป็นร่างก็คือเวทนาสัญญาธัจการหยั่นมันทําหน้าที่ต่อคือมันต้องมีที่อยู่สี่ตัวมันต้องมีที่อยู่มันต้องมีที่เกาะเรียกว่ทิฏฐิหรือที่ตั้งหรือแต่ก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าทิฏฐิวิญญาณมันต้องมีที่ตั้งไป็นตะกาะมันไปต่อ มันก็ยืดอันนี้หละไปต่อจะเป็นเรียกว่าเทวดาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไปเสวยคือไปเสวย อ, อารมณ์ของเขาไม่ได้อยู่อยากเป็นยากอย่างาเราแค่นึกือมันก็สําเร็จเรียวทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจนะเขาจะเข้าใจทันดีมิเต่กเราไม่เข้าใจทุกอย่างสำเร็จด้วยใจคืออะไรเพราะเราจะไม่เข้าใจหลักการอันนี้สวดพรก็เช่นเดียวกันที่เป็นรูปกับตามอารมณ์กับดังผมันมีสองอย่าง รูปภมอากาศรูปภมพบของเราก็เบิดกันพบจะมีรูปกับพบจะไม่มีรูปคือรูปละเอียดไม่ได้แปลมันไม่มีนะมีแต่มันละเอียดจนไปนเหลืออะไรเหลือแต่รูปเดียวแต่มันก็ยังคล้องอยู่นั่นแหละคล้องอยู่ในความละเอียดมันวางไม่ได้ึงไปที่ผ่านไป่ได้เพราะไปคล้องอยู่ตรงนั้นยกเว้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าปอกจี้ขาว่าอันนี้ไม่ใช่ ถ้าวางตัวแรกก็ไปเหมือนหลวงปู่เทศแล้วถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นก็ไปต่อไม่ได้เพอไปติดไปข้ามกันนะท่านก็จะ่าหมดแล้วคือไม่มีอะไรแล้วมันไม่โกรธไม่หลบไม่ลบมันเฉยเฉยเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เฉยเฉยเหมือนมีอะไรคือไม่สามารถจะทําอะไรท่านได้โกรธยังไงแต่สุดท้ายก็มก็จะติดจนนั้นมันยังไปต่อไม่ได้หลวงปู่มั่นจะมาเล่าหรจะมาชี้มาแนบครับผมไม่ใช่นะ บุธเอกับเต็มจุนี้เป็นเวลาหลายปีที่ยไม่ได้ว่าหลงมันก็ดูกันระไรแต่ว่าเต็มตัวนี้หลายีเพราะนั้นเป็นที่เป็นที่มาว่าเม็ดเอครูบาอาจารย์ต้องมีครูนะเห็นไหมแต่ละองค์ดูแสวงหาเดินตามหลวงปู่ใหญ่ในบูมันทงตังแต่ภาคอีสานทางภาคเหนือเดินเท้าขึ้นมาตระองไม่ปลูกผ้าสายพระอุทิสายพระเมี่ยงกันนีแถวไม่ค่อยก็ดเดินมาเพื่อ แก่แกให้เราคิดถึงเป็นที่มาก่เสตร็จต้องมีครูทําทําเองได้ไหมได้แต่มันต้องมีครูต้องมีผู้สอนต้องมีผู้แนะมันจะแก่แก่มันจะลดจากจิตน้อไดอ้นี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยในกนารปฏิบัติของพวกเราก็เช่นเดียวกันนั้นชีวิตของเราก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ว่าเรววาจะ อ, อยู่ความมืดอยู่ความสว่าง ไปอยู่กับกลางวันหรืออยู่กับลางคืนถ้ากลางวันมันก็แยนที่เราอยู่กันนี้แหละในภาคกลางคืนก็เช่นเดียวกันเราก็จะอยู่กับอีกโลกหนึ่งหมายถึงจิตของเรามันก็จยู่แบบอีกโลกหนึ่งในเวลากลางคืนตื่พอสว่างขึ้นมาปุ๊บพระาทิตย์เดิมโพเข้ามามันก็เจ็บอีกโลกเดิมคือพระาทิตย์ทำหน้าที่เราก็มารับรู้ข้างนอกยืนเดินนั่งนอนทํามาหากินอะไรก็ได้แต่อันนี้คือความเป็นจริงในชีวิตปัจจุบันของพวกเรา เพราะมีแ้่ที่อย่างเดียวคือมีสตินะ ต, ตอนนี้เป็นกลางวันนะตอนนี้เป็นกลางคืนนะกลางวันทำอะไรทำทำทำอะไรทําก็เรียกทำส่วนกลางคืนเนี่ยทาอะไรไม่ได้ไมาว่าจิตออกยาวทางแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็อยู่กับพบภาพน พ, พ, พบตัวนั้นอ่ะมันพวังคัจิตตัวนั้นอ่ะไปต่อทางหน้าแตะ น, นั้นท่านสําหรับคนที่ทําสมาธิแล้วมีนิมิต ร, รูปเสียงรูปเปลญก็ดีแนวนี้คือสมาธิทําได้ คือกำหนด ok. กำหนดให้มันเกิดได้กำหนดให้มันดับได้เอาว่าให้มันชำนานเรียกว่าศีชำนานชำนานในการนึกนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งชำนานในการเข้าชำนาญในการออกจากสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเรื่องชำนานเรียกว่าศีครูบอาจารย์ถ้าจะชำนานเกิดพราะท่านประจําแต่การนั่งของท่านกับมันนานกับมันก็ไม่นานคนไม่ได้นั่งทรมานอย่างพวกเราไม่นั่งจนโตด้านมนุษยเราเพราะท่านนั่งเอาปัญญา ท่านไม่ได้นั่งเอาสัญญาผู้เรานั่งเอาสัญญานั่งเอาความาวนนทุกข์นอนเอาความทุกข์แต่กับมันก็เปพ้นจากสิ่งรันเนี่ยความทุกข์มากลืมลาบากแล้วจิตมันก็ไปอยู่กับทุกข์คือทุกข์กับเวทานาก็าจะยืนเดินนั่งนอนแต่จะรู้ว่าทุกข์เราก็วางสุขเราก็วางแล้วก็ไปต่อหรือก็ห น, นทางอื่นหรือเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นในขณะที่มันทุกข์อาจจะใช้คําบริกรรมก็ได้เราจะไป ที่ไปสสี่าโต๊ะสูสีสสปนองก็ได้เดี๋ยวมันก็จะลืมเองือโมหะมันก็เป็นอย่างนี้หรือจะเลูกเปลี่ยนไอ บ, บก็ได้ไม่ได้ห้ามแม้แต่ใ น, นสัชชีเหมือนกันมันได้แปลว่าอยู่อาบคือนั่งกันนั่งกันเดียวยือยๆๆนืนไม่ใช่แต่มาหยิเปลี่ยนไอ้บอได้เหลือดื่นยืนเน่ยมันยืน น, ย น, น, ยนานไม่ได้เาเลื่อนไปเลี้ยสมองเดินเดิมไได้นั่งก็สลับกันไปแต่นั่งร้านน้นมก็ พลานาพุทธคุณทำบุญสางฆคุณก็ส่วนมนนั่นแหละอาจจะเป็นส่วนในใจก็ได้แต่ะไม่เอาพุทโธทำบุญสังฆแต่เอามาใช่พุทธคุณทําบุญสัท่านเตี้ยนีมาสวดสิบลาบ ย, ยะะี่ลับถร้อยแปดลาบแปดแต้มมันก็จะพิมใเวลาหลังจากนั้นก็กำหนดลมหายใจต่อพิจารณาต่อสลับกันไประดมมามันจะอยู่ได้นานไม่ใช่เอกากระนองกำหนดอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ก็สูภผวังขจิตคือหลับพลานาเข้าสู่ผวังขจิตมันก็อยู่กันนิตอนี้ ก็คืออยู่กับฝันและถ้าเป็นนอนแต่เพื่อนําเป็นการท่านั่งแต่มันไม่มีสตินะตัวนั้นไม่มีถ้าเป็นเป็นผ้าที่มีเรานั่งแล้วเรามีสติในเรียองวันนี้มันต่างกันตรง น, นี้มันจะอยู่ใความมีสติกับไม่มีมสติมันต่างกันอยในสุดให้ปัญญาตัวสําคัญที่สุดคือปัญญาแ้าทําแล้วมันจะเกิดปัญญาคือไม่สามารถที่เป็นไปด้วความสังเวชให้เป็นไปก้วเบื่อหนา่ายหายกหนัดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะ ถ้าธรรมะสังเวจไม่เกิดอย่าหวังเลยนิพิทาคือความเบื่อหน่ายปัญญาทีา่จะเป็นมันไม่มีเพราะมันไม่มีนิพิทากือมันไม่เบื่อพูไง่ายง่าไม่เบื่อมันก็ติดยังชอบอยู่เพราะมันไม่เบื่อมือนก็ปลาหาแล้วกินเอากินทุกวันเบื่อแล้วนนก็เรื่องนิพิทาเรอาหารกินอย่างเดียวจนปลาทูกินปลาทูอย่างเดียวเป็นอาทิตย์นี้มเบื่อไหมแน่นิว่านนิพิทา กินอยู่แต่ทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้านริพานไม่เกิดปัญญาเราก็มีทางที่เกิดตันนิพปิทาไม่เกิดนิพานะอย่ไปหวังเลยที่จะบรรดับตายอันนี้คือหลักการสาหรับในในภางปฏิบัติของพวกเราทั้งหมดทั้งวงนี้เอามาใช้กับตัวเองปัญญาบอกใช้กับตัวเองไม่ได้ใช้กับคนอื่นตอนนี้อภิสนากันเห็นตัวเราเองไม่ใช่เห็นคนอื่นให้เห็นตัว เ, เอ ง, ใ ห, เหเเองให้มากคือเท่าที่จะมาได้ นอย่างน้อยที่สดก็คือหยาบๆก็คือเห็นความดีความไม่ดีของตัวเองไปถ้าทำอย่างนี้มันดีนะถ้าคิดพูดทางนี้มันไม่ดีนะ น, นช่วยเห็นละแต่คนคอนิจฉาธรรมดาเนี่ยคือเห็นตัวเองมันจะได้คล้ยๆปรับปรงุงอันนี้คือปรัช น, นาเริ่มตน้นมัใชะเห็นคนอื่นไปเห็นนั่นโรกแต่วันนั่นโอ้ไปเรื่องใหญ่ไปคนละเรื่องลนะเห็นไปมันก็ไม่ประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อทำสมบัติงเวทแล้วถอนปล่อยวางมันไม่มี ประเทศไหนแล้วมันจะลดสังเวชคือธรรมะสังเวชเกิดขึ้นนิพิทา น, า, านก็แล้วครังนิพพานมันก็จะเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเมื่อเสี้ยนนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะง่ายการควบคุ ม, มบําบัดดูแลตนเองอะไรก็ว่าเราทั้งหลายได้ใช้แนวนี้เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติเราปฏิบีติสุขตามอาัตาภาพคืออยู่แบบโลก ก, ก็อยู่ได้อยู่แบบทําก็อยู่ได้ กลงวันก็อย no wow. ู่ได้กลางคืนอยู่ได้เราะว่าเรากำหนดเอาไว้ในขณะที่ก่อนสติมันจะดับคือในขณะที่มีสตินคือการกำหนดคุณนี้จะกหนดในขณะที่มีสติเพราะว่าหลับไปแล้วมันก็มีสติกันน้อยสม่บางทีเหมือนกันในขณะที่มันหลับก็คือลงลึกอัปนาแล้วมันก็ไม่เกิดปัญญาเช่นเดียวกันถอนเอามารู้ตัวคืออุปจาระเท่านั้นแหละถึงจะเกิดปัญญาได้อันนี้คือหลักในการปฏิบัติของเรา พอเราถอดได้แล้วเนี่ยควมสุขการเดินตามอัตภาพอยู่บนโลกก็เจรเดินบนโลกอยู่เท่าไหา่ก็เจริญไปตาม ท, าที่เดียวกันคือใช้สถานการณ์ปัจจุบันที่มันเกี่ยวข้องกับโกรดนั้นๆให้เป็นธรรมะให้ได้ไม่จะเราจะเป็นเรื่องเกิดก็ดีแก่ก็ดีเจ็บ ก, ก็ ด, กกดีตายก็ดีให้มองสิ่งเหล่า น, นั้นโดยสภาวะธรรมคือมองให้มันเป็นธรรมะคนทำออกมาแเราไม่เป็นธรรมมันก็เป็นทุกข์ ก็จะเป็นทุกข์ก็เสียงเหล่าเนี่ยแต่เราบอกหัวว่ามันเป็นธรรมก็ให้ตืกนว่าเสียงเราเนี่ยมันเป็นธรรมเพื่ธรรมมัคือสอนเราเราจะเข้าใจเรื่องทุกข์ตือแท็กเข้าต้องการสอนให้เรารู้จักคําว่าทุกข์นั่นเองท่านจึงบอกว่าใครไม่เห็นทุกข์คนนั้นก็ไม่เห็นธรรมตื่นว่าดีแล้วที่ยวทุกไม้เราเห็นก็าขอเป็นกําลังใจให้เราทั้งหลาย ให้มีความสูขการเจริญแบบโลกแบบธรรมอยู่ทั้งโลกการเจริญแบบโลกอยู่ทั้งธรรมการเจริญทั้งธรรมทุกคนให้มีความเจริญตามสถานานุปกรณตนทุกคนวันนี้ก็ขอสมุดปฏิญาณพระภิกษุภารันที่เกษมวันเตยทุกคนทุกตน